ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตัพพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมาราภิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารจนาต่อไปถึงธรรมคุณนกถาถามว่าพระธรรมมีคุณอย่างไรแก่ว่าคุณแห่งพระธรรมมีมากนัก ผลวิสัยปุรุชนจะพันนาไดา้ตัดให้สั้นความที่เป็นของดีจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นแหลเป็นคุณใหญ่ในพระธรรมอันหนึ่งกล่าวคุณตามประเภทของธรรมทั้งสามปริยัตสัทธรรมมีคุณอย่างยิ่งคือประกาศส่องสว่างแก่สัตว์ให้ตัด ร, รู้จักปฏติปัตสัทธธรรมส่วนปฏติปฏิสัทธธรรมมีคุณอย่างยิ่งคือให้ตัดดาเนินถึงอธิคมสัทธรรม ส่วนอธิกรมสัตธรรมก็มีคุณอย่างยิ่งคือค่ากิเลสนั้นนั้นให้ตัดได้ความสุขถึงความสิ้นทุกข์อันหนึ่งสว่าขาตะตาที่คุณเป็นคุณแห่งพระธรรมควรเป็นอนุสติฐานที่ตั้งแห่งความระลึกเพราะเหตุนั้นบบนี้จะแปลและอธิบายในบททั้งหกมีสวาขาโตพระคะวาตาธรรมโมเป็นต้นตามลำดับในปุพพสิกขาคาในพระอัตถกาว่าไว้ดังนี้ว่า แม้ปริยัติจัตธรรมย่อมถึงความสงเคราะห์ในบทว่าสวาขาโตพระวตาธรรมโมด้วยโลกุตรธรรมอย่างเดียวย่อมถึงความสงเคราะห์ในบททั้งห้านอกนั้นตั้งแต่สันทิติโกจนถึงปัจจตังเวดิตาโบวินยูหิตามคำอัจฉริานั้นได้ความว่าบาลีว่าสวาขาโตข้อความละจวตั้งถึงวินยูหินี้ประกาศคุณแห่งปริยัติจัตธรรม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 เป็นของเฉพาะตัวไปเพราะนั้นปฏิมภัสตธรรมก็เลยไม่ได้แสดงไว้ตรงนี้นะแสดงไว้เพียงสองอย่างสําหรับพระธรรมคุณเนี้ยก็คือปริยัติกับปัิเวแม้ถึงกระนั้นจะทนานาว่าประกาศคุณแห่งปัติปตัติสัตธรรมด้วยก็ได้แปลตามอัตกถาประสงค์นั้นว่าธัมโมอันว่าปริยัติสัตธรรมสวาขาโตภะคะวตา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 ด้วยบาทที่แรกชื่อว่าไพเราะในถ้ำกลางด้วยบาทที่สองที่สามชื่อว่าไพเราะในที่สุดด้วยบาทที่สี่ด้วยว่าในบาทแห่งคาถาทั้งสี่นั้นบาทใดบาทหนึ่งจะได้แสดงเนื้อความอันวิ ป, ปริตและแสดงเนื้อความไม่เป็นประโยชน์หามีไม่อนหนึ่งป ร, ริยัติธรรมชื่อว่าไพเราะในเบื้องต้นด้วยแสดงศีลเป็นคุณเบื้องต้นแห่งรมจัน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 ในที่ควรจะสังเวชและเลื่อมใสแล้วก่มเสียได้ซึ่งนิวรทั้งห้าชื่อว่าไพรระในท่ามกลางด้วยปฏิบัติเหตุบุคคลผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติด้วยความสังเวชได้ความเลื่อมใสย่ยอมก่มกิเลสนั้นๆได้เห็นคุณแห่งธรรมชื่อว่าไพรระในที่ตุดด้วยผลแห่งการปฏิบัติคือนำมาซึ่งความเป็นคนที่ชื่อว่าตาดิคือไม่โทมนัสโทมนัสในอารมณ์นั้นๆเป็นผู้คงที่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 คำสอนอย่างหนึ่งมรรคอย่างหนึ่งชื่อว่าพรมจารในที่นี้าศาสนาพรมจารมรรคพรมจารอันใด น, นั้นที่พระผู้มีพระพระาุาเจ้าทรงแสดงโดยในต่างๆพรมจารทั้งสองนั้นชื่อว่าศาสถังมีอัฏฐะเพราะถึงพร้อมด้วยเนื้อความอันบุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นพึงได้ด้วยปัญญาชื่อว่าสพยัญชนะมีพยัญชนะเพราะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะ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 ด้วยเป็นของไม่มีโทษที่จะพึงตัดออกเสียดังอริยมรรคประดับด้วยองค์8ก็คงแตดอยู่อย่างนั้นในองค์มรรคทั้งแต่นั้นองค์มรรคอันใดอันหนึ่งซึ่งนักปราจะคัดค้านว่าเกิดแล้วแลเอาออกเสียให้คงเป็นแต่เจ็ดหรือว่าหกก็ดีหรือนักปราจะอ้างว่าองค์มรรคอันนี้มีโทษดังนี้ดังนี้ไม่ควรเป็นองค์อัยวะแห่งมรรค แล้วแลเปลี่ยนเอาทมอื่นเป็นองค์อวัยวะแทนก็ดีดังนี้ไม่มีเพราะเหตุ น, นั้นพระมจา ร, รย์จึงชื่อว่าเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดรอบสิ้นเชิงก็ถึงว่าปริยัตธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีเพราะประกาศซึ่งพระมจา ร, รย์มีอัรฐะมีพยัญชนะเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดรอบสิ้นเชิงดังกล่ามานี้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 และทำที่เดรัจฉีกล่าวว่าเป็นนิยานิกธรรมดังอัตตะกิรมถานุโยคปฏิปทาปฏิบัติทรมานตนให้ลําบากย่างกายให้กิเลสแท้ง น, นี้แหละนาสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้ข้อนั้นจะเป็นนิยานิกะนําสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้จริงนั้นหามิได้เพราะเหตุนั้นรำแห่งเดรัจฉีจึงชื่อว่าทุระขาโตอันเดรัจฉีกล่าวและชั่วกล่าวแล้วไม่ดี อัดแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นจะได้ถึงความวิปลาสหาไม่ได้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายยิกธรรมของทำอันตรายแก่สวรรค์เป็นต้นดังอันตรายยิกธรรมห้าอย่างมีกรรมมันตรายยิกะเป็นประธานก็คือทอนาอนันตริกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทาร้ายูเจ้ากระหิตท่อแล้วก็ทาสังฆเพศ แล้วก็พวก ว, วิปากันตรายพวกกิเลสันตรายนิยตันนิชาทิฏฐิอารยุปวาอันตรายว่าร้ายพระอริยเจ้าแล้วก็อาณาวิติกามันตรายกล้ารู้ถิขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้อันนี้ก็เป็นอันตรายยุทธธรรมห้าอย่างย่อมเป็นของธรรมอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผลแท้ก็แลสิ่งที่พระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่าเป็นนิยา น, นิยธรรมนำสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ นางอัดถังคี้กระมักก็ย่อมนำสัตว์ออกจากสังสารทุกข์ได้แท้พระเหตุนั้นทำแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าสว่าขาโตอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีแต่ว่าตรัสไว้ดีแล้วอันหนึ่งโลกุตรธรรมชื่อว่าสว่าขาโตภะคะวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วดีก็ปฏิปทาข้อปฏิบัติก็สมควรแก่พระนิพพาน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 ส่วนสมาธิเล่าก็ห้ามกิเลสคือราคะโทสะโมหะอย่างกลางซึ่งชื่อว่าปริยุทธานลุกขึ้นตั้งอยู่รอบจิตส่วนปัญญาเล่าก็ห้ามกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดซึ่งชื่อว่าอนุัยดูประหนึ่งว่าตามนอนอยู่ในสันดานนี้แหละข้อปฏิบัติจากพระนิพพานสมควรกลมเกลียวไหลลงในที่อันเดียวกันไม่ขัดขืนแปร ก, กันดังนี้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 อันบุคคลวางไว้ในผ้าตำพนเพราะเหตุนั้นอนธิคมศัตธรรมทั้งปวงจึงชื่อว่าเอหิปัสสิโกควรจะร้องเรียกว่าท่านจงมาดูไดโอปนายิโก ah แปลว่าะธรรมเป็นของอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้อธิบายว่าธรรมนี้ควรพระอริยเจ้าจะน้อมเข้ามาใส่ใจของตนของตนได้ด้วยอำนาจแห่งภาวนาคือเร่งเฉพาะรีบเพีย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 คือว่าพระอริยเจ้าจะพึงทำให้แจ้งประจักษ์เนียวเอาเป็นอารมณ์ด้วยอริยมรรคจิตพระเหตุนั้นแม้พระนิทานก็ชื่อว่าโอปนัิโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาได้เหมือนกันปัจจตังเวทิตบโบวินยูหิแปลว่าพระธรรมเป็นของอันวินยูผู้รู้วิเศษทั้งหลายจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัวอธิบายว่า อธิคมสัตยธรรมทั้งปวงนี้อนนัปราชคือพระอริยเจ้าที่เป็นอุคติตันยูวิปจิตตันยูหรือนโยสารจำพวกนี้กะปรึงเห็นแจ้งในตนในตนว่ามักอันเราให้มีให้เป็นแล้วผลเราถึงทับใต้แล้วนิพพานเป็นที่ดับทุกขเรากระทำให้แจ้งแล้วดังนี้จึงอยู่มักที่อุปชายยะให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว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 ชื่อว่าสันทิิโกเป็นของอันบุคคลจะพึงเห็นเองเพราะเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาชื่อว่าอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาเพราะเป็นของจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ก็แลทําอันใดชื่อว่าเอหิปัสติโกเป็นของควรจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ทําอันนั้นก็ย่อมเป็นโอปัญญิโกอันบุคคลจะพึงน้อมเข้ามาใส่ใจได้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 ครั้นแสดงแก่ปุถุชนก็มืดมัวไม่ปรากฏแก่ปุถุชนดังแสดงรูปอันวิเศษอัศจรรย์ในอากาศแก่คนมีจักรสุบอดแต่กำเนิดพระเหตุนั้นกรรยานาปุถุชนผู้ปรารถนาจะเห็นคุณแห่งพระธรรมตามบทบาลีนี้ก็พึงยกเอากุณแห่งปฏิปฏิสัทธรรมตัวที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นวิสัยแห่งตนเข้าเทียบในบทว่าสันทิติโกเป็นต้นแล้วและรำพึงเธอจะเห็น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 ล้วนเป็นเครื่องโสโครกแล้วแลได้สมาธิความหยุดใจอย่างตามเต็มทันทิกะหรืออุปจาระในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีหรือปัญญาที่เห็นโทษแห่งกายว่าไม่ดีไม่งามก็ดีส่วนสมาธิก็เป็นธรรมอันใสสะอาดพรข่มการ ม, มฉันทะซึ่งเป็นราคะความกำหนัดยินดีในกายของตนและกายผู้อื่นสมาธิอันใสสะอาดเกิดขึ้นในจิตเห็นประจักษ์แต่ตนเอง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 เมื่อเห็นว่าโลกิยะปฏิปฏิสัตธรรมเป็นสันคิติโกดังนี้แล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นอาการทิโกไม่มีการไม่มีเวลาว่าปฏิบัติชอบถูกดีแล้ววันนี้พรุ่งนี้สมาธิปัญญาจึงจะเกิดดังนี้เมื่อเห็นว่าเป็นอาการทิโกแล้วก็คงจะเห็นว่าเป็นเอหิปติโกควรจะร้องเรียกว่าท่านจงมาดูได้เพราะสมาธิปัญญาเป็นของมีอยู่แท้และเป็นของบริุทิ์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 วันนี้ก็สมควรจะเวลาพรุ่งนี้ค่อยต่อเรื่องของสังขรัตนะคาถาก็ขอใท่านได้กุศลปิติประโมทจากการได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระวินยัยซึ่งท่านอมราภิระกิจตาอมโรเกิดท่านก็ได้พนนาพระคุณของพระรัตนตรัยก่อนก่อนที่จะ ก, กล่าวพระวินยัยโดยย่อในปุพพสิทธาวรนนา น, านี้ก็ขออนุโมทนาครับท่านด้วยให้ท่านจงถึงมรรคผลนิพพานบรรลุ แล้วอย่างก็ไม่ทราบแต่ว่าขอให้บรรลุ ก, ก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินไดฟังพระธรรมและพระวินัยนี้จงได้บรรลุสัะยตสัตธรรมในการไม่เนินช้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ